พวกเรางานแรกหน้าที่แรกของชาวพุทธเรียนให้รู้เรื่องเข้าใจแล้วก็บอกต่อคำว่าเข้าใจเป็นคําลึกนะเข้าใจเข้าถึงใจเข้าหูเข้าสมองยังไม่ไหวเข้าหูนี่แย่ที่สุดนะเข้าหูนี้ออกนี้เข้าสมองยังพอมีอะไรติดบ้างจําๆเอาไว้ หลวงปู่มั่นนะท่านเคยพูดไว้คำหนึ่งนะน่าฟังมากเลยเป็นความจริงอย่างที่ท่านพูดนะแต่สแสลงใจที่คนฟังท่านบอกธรรมะเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในจิตของปุถุชนนะ้จะกลายเป็นสัตธรรมปฏิรูปจะเพี้ยนมีเพี้ยนไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะบางทีเพี้ยนมากอย่างธรรมะกระจายกระจายนะ คนนนสอนอย่างนั้นคนนี้สอนอย่างนี้บางีถ้าศึกษาเราก็รู้ว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิอี่ยงบอกไม่ให้ยึดอะไรเลยนะไม่ต้องทําอะไรหรอกพวกเราไม่ต้องทําอะไรหรอกจิตของเราดีอยู่แล้วจิตเราเป็นพุทธะอยู่แล้วนะธรรมชาติจิตก็ประพัสดสอนนี่พระพุทธเจ้าบอกนะจิตเราประพัสดสอนมันดีงามอยู่แล้วศีล ส, สมาธิปัญญาไม่สําคัญหรอกนี่มิจฉาทิฏฐิหนักๆเลยนะ จิตของเราไม่ใช่ประพัดสอนแบบบริสุทธิ์หรอกประพัดสอนแปลว่าสว่างผ่องใสเวลาที่กิเลสยังไม่มานั้นโดยธรรมชาติจิตมันก็สว่างผ่องใสแต่ไม่ได้บริสุทธิ์คาว่าผ่องใสกับคำว่าบริสุทธิ์คุละคากันจิตพวกเรามีกิเลสนะหากลนะมีอวิชชาตันหาอุปาทานอยู่พร้อมเพียงยังมาบอกไม่ต้องทาอะไรเลย ไม่ทำอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ต้องมีการกระทำนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมวาทีในเรื่องของการต้องทำนะถ้าพวกมิจฉาทิฏฐิ เ, เ, เรียกอักลียะอักริยะทิฏฐิไม่ต้องทาอะไรเลยนะหรือทุกอย่างในโลกนี้ว่างเปล่าอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกทุกอย่างว่างอยู่แล้วชั่วแค่ไหนก็ได้นะ อย่าฆ่าใครก็ได้เพราะว่าไม่มีคนทุกอย่างว่างปรับไม่มีคนเพราะงั้นเราไม่ได้ฆ่าคนเราทำร้ายวัตถุเฉยๆอย่างเงี้ยนี่พวกไม่มีอะไรเลยเรียกนาติกาทิฏฐิพาะมีฉาทิฏฐิเบางคนก็สอนกันนะให้รักษาจิตให้ว่าง ให้จิตให้นิ่งให้ว่างนะไม่ต้องไปทําอะไรหลกศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องมีรักษาจิตว่างๆไว้อย่างเดียวที่นี่ก็มีชาติทิฏฐินะพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญาสอนศิลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่บริสุทธิ์หมดจดขึ้นมาได้หรอกนั่นเราต้องระวัดระวังมากเลยนะที่ฟังธรรมมาแล้วเพียน หรืออ่านหนังสือจิตคือพุทธะของหลวงปูดุลจิตมันดีอยู่แล้วอย่างนอั้นอย่างนี้นะศีลสมาธิปัญญาไม่สําคัญดังนั้นท่านพูดถึงจิตหนึ่งคําว่าจิตหนึ่งเป็นจิตของพระอราหันต์ไม่ใช่จิตของเราดัางนั้นถ้าจะจิตพระอราหันต์เนี่ยท่านไม่ต้องไปศึกษาเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาอีกแล้วศีลสมาธิปัญญาท่านบริบูรณ์แล้วต่างหาไม่ใช่ว่าท่านไม่มีนะ มีบริบูรณ์ล้วต่าหาเนี่ยเวลาฟังเวลาคิดนะฟุ้งซ่านเพ้เจอ้อไปนะพลาดอย่างแรงเลยหน้าที่เรามีอยู่นะคือเรียนหน้าที่ของชาวพุทธคือหน้าที่เรียนคนที่เรียนจบแล้วเรื่องอาเสะขับบุคคลคือพระอาหารหันต์เท่านั้นพระโสดายังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะ พระสกทาคาก็เป็นนักเรียนพระนาคาก็เป็นนักเรียนเรียกเสกบุคคลพวกเราปุถุชนยิ่งต้องเรียนให้หนักขนาดพระโสดาสกทาคานาคายังเป็นนักเรียนเลยแล้วพวกเราล่ะประเภทเตรียมหรืป่าโรงเรียนเตรียมเตรียมอนุบาลเตรียมอะไรหน้าที่เรียนนะเรียนเรื่องต้นเรียนให้รู้เรื่องฟังธรรมะให้ดีนะศึกษาธรรมะ พระพุทเจ้าสอนอะไรสอนเราเรื่องศีลสิกขาเราต้องรักษาศีลสอนเรื่องจิตสิกขาเราต้องเรียนรู้จิตของตัวเองสอนเรื่องปัญญาสิกขารู้วิธีเอาจิตที่เหมาะสมถูกต้องแล้วนะ่ะเอามาเจริญปัญญารักษาศีลอย่างเดียวไม่พอไม่พอนะรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอ ทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอมีศีลกับสมาธิก็ยังไม่พอเจริญปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีศีลต้องมีสมาธิด้วยมีสิ่งที่ต้องเรียนต้องทำไม่ใช่น้อยนะแต่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะดีขึ้นได้ถ้ามีเครื่องมือสำคัญเบสิกที่สุดเลยคือคำว่าสติถ้ามีสตินะถึงจะมีศีลมีสติถึงจะมีสมาธิมีสติถึงจะมีปัญญาได้ และสติสำคัญมากจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อฝึกสติให้มากวิธีฝึกสตินะั้นก็าหัดเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกจเจริญไปเพื่อความมีสติขั้นตอนที่2เมื่อมีสติและมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วกนะ็จเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจ เมื่อมีปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจแล้วจิตจะเบื่อหน่ายคราําหนัดแล้วก็หลุดพ้นเข้าเป็นของเขาเองนะไม่มีใครทําจิตให้เบื่อหน่ายได้ไม่มีใครทําจิตให้หมดราคะหมดตัณหาได้ไม่มีใครทําจิตให้หลุดพ้นได้จิตเขาเป็นเองถ้าเขาเป็นเองเราก็ต้องทําเงื่อนไขให้เขาเป็นเนหะมือนอย่างลูกเราเราให้ไปเรียนหนังสือนะเราทาลูกของเราให้ฉลาดไม่ได้ แต่ว่าเราให้โอกาสในการเรียนรู้กับเขาแล้วเขาฉลาดของเขาเองอย่างบางคนที่ให้ลูกฉลาดตั้งใจต้องฉลาดในโว้นนี้นนะทำไม่ได้หรอกเราให้การศึกษาได้เขาจะฉลาดหรือไม่อยู่ที่ตัวเขาเองนะเราก็ให้การศึกษากับจิตด้วยศีลสิษยาเรียนเรื่องวิธีรักษาศีลจิตสิษยาเรียนเรื่องวิธีเรียนรู้จิต นะจนได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะถ้าตอนไหนฟุ้งซ่านก็ใช้จิตโน้มนําไปทําความสงบทําสมถะสมาธิอย่างที่หนึ่งตอนไหนมีกําลังมากพอนะก็ให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิอย่างที่สองพอได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วก็มาดูกายก็ทํางานมาดูจิตเที่ยวทำงานดูอย่างที่เขาเป็นนะ ดูกายอย่างที่กายเป็นดูจิตอย่างที่จิตเป็นเห็นไหมมีงานต้องทําคือการดูกายดูใจตามความเป็นจริงนะไม่ใช่ไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็บรรลุพระอรหันต์นะนั่นมันมิจฉาทิฏฐิไม่มีการกระทําพอเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วก็ค่อยปอกต่อกันไปพวกเราที่มาเรียนที่หลวงพ่อเนี้ยมาเรียนแล้วช่วงหนึ่งพอเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วเนี้ย บางคนปฏิบัติเป็นไปแล้เก่งไปแล้วนะก็ไปช่วยเผยแพร่ช่วยอะไรที่รู้หลักแม่นแม่นะลองลงมาหน่อยก็ามาช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงนะเป็นพี่เลี้ยงนะคอยช่วยประครับประคองคนที่ยังอินซีอ่อนกว่าเนะี่ยเป็นหน้าที่นะพวกเราวันหนึ่งต้องช่วยกันบางคนมีกําลังเกนะ่งคอมพิวเตอร์ต้องไปทําเว็บไซต์นะ บางคนก็ไปทําซีดีทําบันทึกเสียงนะเอาไปทําเทปทําซีดีแจกอย่างนี้บางคนทําอะไรไม่เป็นกรอบซีดีแจกอย่างเดียวก็ยังมีนะก็ยังบุญนะอย่างก็ได้ช่วยกันเผยแพร่ไปหรือบางคนทําการ์ตูนมีนะเขียนการ์ตูนเะงั้นพวกเราเรียนนะแล้วต่อไปเรามีหน้าที่ หน้าที่ของชาวพุทธคือเรียนให้รู้เรื่องแล้วก็บอกบอกต่อนะในหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เอาต่อไปใครจะส่งกันบ้านให้พวกที่อยู่วัดก่อนเอาว่ามานมัสการค่ะหลวงพ่อหนูเป็นมือใหม่หัดภาวนาค่ะก็เมื่อวานได้เริ่มภาวนารู้สึกเห็นความสุขมันผุดผุดแล้วก็หายไปแล้วก็มาใหม่อย่างเงี้ยค่ะ นั่นแหละดีดีกว่าผุดขึ้มนมาเราก็แช่สุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนน ะ, ะอย่างนั้นมันติดสุกในความสุขเกิดได้ก็ดับได้ก็ดูมันไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ดูแบบเรื่อยๆเปื่อยๆน ะ, ะดูเนืองเนืองมีขึ้นมาก็รู้มีขึ้นมารู้ไปด้วยก็ตามรู้ตามดูมันไปเรื่อยๆหนูคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดไว้น ะ, ะมันช่างคิดอยู่ ใจเวลาไหลายคิดแวบคอยรู้แวบคอยรู้นะะหากเครื่องอยู่ให้จิตอยู่แล้วจิตหนีไปคิดคอยรู้แล้วจะพัฒนาได้หรอะขอบคุณค่ะมัสการหลวงพ่ค่ะจะขอคําชี้แนะจากท่านให้ชี้เรื่องอะไร ฟ, ฟ, นนะฟุงซ่านเนาะฟุงซ่านเพราใจไม่ชอบคิดเราจะไปห้ามใจไม่ให้คิดก็ไม่ได้ใจมันจะคิด งั้นแทนที่จะปล่อยมัคิดสเปสสปะนะถ้ามันคิดเลยคิดเรื่องร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้รูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่สวยไม่งามอนะไรเนี้ยคิดอยู่ในร่างกายเป็ทีละส่วนทีละส่วนนะใจก็จะค่อยสงบเข้ามาไม่ฟุ้งมาก่งพอใจสงบแล้วก็ดูร่างกายไปคราวนี้ผมมันก็ไม่เห็นมันบอกว่าเป็นเราเลยนะ ขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็กระดูกก็ไม่ใช่เราสักอันหนึ่งเป็นแค่วัตถุดูไปเรื่อยๆนะไปคิดพิจารณ์กายไว้ถ้ามันช่างคิดจะไปห้ามมันคิดนี่ยิ่งไปกันใหญ่จะแทนที่จะให้มันคิดสเปสสปะพามันคิดเรื่องร่างกายถ้าใจมันฟุ้งมากๆเนี่ยแล้วไปห้ามมันไม่ให้ฟุ้งนี่ห้ามยากพามันคิดพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาร่างกายนี่แหละไม่สวยไม่งามนะ ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาค่อยๆดูไปทีละส่วนทีละส่วนใจจะมีสมาธิขึ้นมาพอได้สมาธิแล้วแต่ไปเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานปัญญาก็เกิดนามส ก, การญาค่ะหลวงพ่ อ, อยอมยมเข้ามาปฏิบัติก็ใช้วิหารธรรมในการดูจิตเป็นพุโทโธอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอยตามรู้จิตคอยดูว่าจิต ่เออเลยนั่นใช้ได้นะแล้วเป็นไงอีกเห็นไหมว่าจิตทํางานได้เองเห็นไหมมันคิดได้เองมันดีเองมันเร็วได้เองมันวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เองเห็นมั่งไหมเห็นเห็นบ้างค่ะไปดูเรื่อยๆไปอย่าทิ้งกายนะของหนาต้องดูกายด้วยนะ จิตกับกายใช่ไหมคะเอออย่าอย่าทิ้งกายนะต้องดูกายด้วยแล้วเราก็รักสวยรักงามไม่ใช่น้อยนดูกายไปด้วยดูแต่จิตอย่างเดียวไม่พอน ะ, ะตอนไหนดูกายได้ก็ดูตอนไหนดูจิตได้ก็ดูดูมันทั้งสองอย่างเลยเราหนุติดหรือต้องเพิ่มสมาธิในการทําสมาธิเพิ่มเติมไหมคะทุกวันไหวพระสวดมนต์นะแล้วก็น่ารำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง น, นี้ทุกคนต้องทําทํากรรมฐานแล้วก็คอยรู้ทันจิตไป ถ้าจิตฟุ้งซ่านก็น้อมไปอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานวันไหนฟุ้งมากก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากให้ดูที่ลมหายใจให้จิตไปอยู่กับลมหายใจก็สงบวันไหนมันสงบพอสมควรแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่ทำงานไม่ให้มันนิ่งอยู่เฉยเดี๋ยวแม่แไปคิดก็รู้ทันมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันคอยรู้ทันการเคลื่อนไหวของมันนาวัช ก, การค่ะหลวงพ่อก็ เห็นกิเลสมามากหน้าหลายตาค่ะคือตอนแรกเนี่ยคือหนูเป็นคนชอบอากาศเยน็เยนๆอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าเนี่ยทำสมาธิง่ายแน่เลยเพราะว่าแบบมีความสุขอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่ใช่เลยคือแบบยากกว่าที่ที่ที่ขิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอย่างนั่งอยู่คือหายใจเข้าออกเงี้ยค่ะก็แบบตอนแรกก็ไม่มีความสุข แล้วก็เกิดความไม่ชอบแล้วก็เกิดโทสะอืสักพักโมหะมาอแล้วก็เกิดโลภอีกแล้วก็คือเหมือนแบบเอ๊ะใจไม่มีความสุขมันจะมีมีสมาธิได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบพยายามต่อสู้เพื่อให้เกิดความสุขซึ่งจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันทําไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบท เ, เหเนื่อยเหนื่อยเคนมากทุกมากอะไรเงี้ยค่ะ หลก็เลยรู้สึกว่าแบบปล่อยเถอพอเธออะไรเงี้ยแล้วคือแบบหยุดเพื่อเป็นคนรู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนพอคิดได้อย่างเงี้ยค่ะพอรู้สึกได้แบบเนี้ยค่ะว่ามันเหนื่อยแล้วอ่ะก็บางครั้งมันก็ปล่อยก็คือโล่งโล่งแล้วก็สบายขึ้นแต่แป๊บหนึ่งก็กลับมาเกาะใหม่อะไรเงี้ยค่ะห้ามมันไม่ได้นะมันจะเกาะห้ามมันไม่ได้ ก็รู้อย่างที่เขาเป็ดเห็นไหมว่ามันทํางานของมันเองใช่ค่ะต้องการให้เห็นแค่นี้เองไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกค่ะาะดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยงดีเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้สุขสงบก็บังคับไม่ได้ค่ะแต่มันก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางใจมันยังโลภอยู่ค่ะยังโลภอยู่ให้รู้ทันใจที่โลภอะ่ะค่ะแล้วหนูขาดสมาธิไหมคะหลวงพอ่อสมาธิเนี่ยนะคารวาะเกือบร้อยละร้อยขาดนะ ฆรวาสเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดอ่อนมากๆเลยอันแรกสมาธิไม่พอใจฟุง้งซ่านอันที่สองทำไม่ต่อเนื่องทำทำหยุดหยุดถ้าสมาธิพอนะแล้วก็ทำต่อเนื่องเนยะไม่แพ้พระน ะ, ะการจะรู้ธรรมะเห็นธรรมะเนี่ยโสดาสกตาคาอะไรไม่ได้ยากเลยสำหรับฆราวาสทำได้สมัยพุทธกาลฆราวาเป็นพระอริยะแย่ๆไป หลวงพ่อคะอย่างตอนนี้เนี่ยค่ะคือหัวใจมันเต้นแรงมากอืแล้วก็แต่หนูหนรู้สึกหนูก็ดูหัวใจไปรู้ไปใช่ไหมคะว่ามันเต้นแรงมากทีนี้หนูรู้สึกว่ามันมีความกดอยู่เป็นพื้นเนี่ยคือแค่รู้เหรอคะหลวงพ่อแค่รู้นะแล้วความจริงเบื้องหลังมันะ่ะคือกลัวว่ามันจะฟุ้งขึ้นมาไปกดไว้ถ้าเห็นเบื้องหลังมันได้ก็หายเลยอยากดีไม่อยากให้ฟุง้ง อยากให้ดีม่มีตันหาซ่อนอยู่คือถ้าคือแค่รู้ลงไปถ้ารู้ถึงตันหารักเงาได้มันหายเลยค่ะหรือถ้าถ้ามันไม่หายหนูพยายามสอนมันโดยพูดออกมาได้ไมหมคะหลวงพ่อได้สอนได้แต่สอนเป็นอุบายเบื้องต้ น, น ส, สอนทุกวันไม่ได้น้ฟุ้งสั้นน่ะต่อไปนรมัสการค่ะนรมัสการครับ ฟุงฟ้งหนักรครับฟุง้งว่าเรื่องธรรมชาติครับารวาะเราฟุง้งเพราะ ว, วันวันหนึ่งนะรับข้อมูลข่าวสารเยอะเลยเมื่อคิดอะไรต่ออะไรเยอะแยะภารามันเยอะจะห้ามไม่ให้ฟุง้งไม่ได้เราฟุ้งเรารู้ว่าฟุ้งสั้นดูคราพิสูททั้งหลายจิตฟุ้งสั้นเรารู้ว่าฟุ้งสั้นก็แค่นั้นละครับแล้วก็ ใจไม่ค่อยถึงฐานครับเออใจไม่ถึงฐานก็ยังรู้อีกนี่ใช้ได้เลยมั น, มนดูเหมือนมันจะไม่เคยชินกับการเข้าฐานเลยป่ะครับไม่ชินหรอกรเราเคยชินแต่ออกนอกหลวงปู่ ด, ดูลย์สอนนะบอกอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกงั้ไม่ชินที่อยู่กับฐานหรอกอ ย, อย่างนี้ต้องฝึกให้ชํานานให้รู้ทันบ่อยๆครับมันจะไหลออกไปไม่นานก็เข้าฐานเคยได้ยินไหมบอกว่าพระโสดาบันมีศีลบริบูรณ์ มีสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยคือไม่ค่อยเข้าฐานหรอกสมาธิตัวนี้คือสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นถึงฐานนะเพราะว่าปุถุชนเนี่ยขนาดพระโสดายอย่างสมาธิเล็กน้อยปุถุชนถ้าไม่มีเลยหมายถึงจิตใจไม่เข้าถึงฐานหรอกแต่ว่าเข้าฌาน8ได้นะเห็นไหมปุถุชนบางคนก็เข้าฌาน8ได้อย่างเทวทัตก็เข้าฌาน8ได้อะไรเง่งเก่งแต่ว่าถือว่าไม่ได้มีสมาธิจริง อ, อาการที่มันไม่ค่อยถึงฐานนี่มันจะเบลอเ บ, รรบรรนิดนึงใช่ไค ร, รับหลวงพ่อได้ดูเบลอเบลอหน่อยก็ได้ครับใจมออกนอกเคลื่อนไปครับครับถูกต้องนะที่ภาวนาอยู่เห็นว่าจิตไม่เข้าฐานเนี่ยถูกแล้วขันเริ่มแยกถูกแล้วแนะต่อไปนี้ถ้าจิตถึงฐานมันก็จะเห็นขันแต่ละขันทำงานของขันไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะดีพอวานาใช้ได้นะ วันนี้อยู่ยวัดเยอะมากเลยอ่ะใจไม่มีแรงค่ะคุณใจไม่มีแรงแก็ต้องภาวนาบ่อยๆก็ภาวนามไม่ต่อเนื่องค่ะเออนั่นแหละปัญหาปัญหาไม่ต่อเนื่องสมาธิไม่พอใช่ไหมใชม่ที่หลวงพ่อบอกอาว่าคารวะขาดสองตัวนี้แหละแล้วก็ทํำยังไงให้ทำในรูป<จ>แบบทําทุกวันถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ จะทำสมาธิหรือเดินจงกรมอะไรก็ทำไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปหายใจไปจิตหนีแล้วรู้จิตไปเพ่งรู้เดินไปจิตหนีรู้จิตไปเพ่งเท้าแล้วก็รู้อะไรนะจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาคอรู้ฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็เข้าฐานแล้วก็เดี๋ยวจะมีแรงขึ้นมาเมื่อมีแรงแล้วมันเหมือนเราเปิดสวิตช์ขึ้นจากข้างในเลยนะสว่างขึ้นมาเหมือนตื่นขึ้นมาเลยรู้เลยตลอดชีวิตที่เกิดมาเนี่ยตื่นแต่ร่างกายใจไม่เคยตื่นหรอกในโลกนี้มีแต่คนหลับ ไม่มีคนตื่นเท่าไหร่หรอกคนตื่นหายากนะแต่ยุคนี้เยอะจนบางคนนะเข้าไปวัดครูบาอาจารย์ท่านเห็นหน้าท่านรู้เลยว่าลูกศิษย์ใครลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทเนี่ยตื่นเยอะไม่ใช่ขี้ตื่นนะหมนถึงจิตมันตื่นเึ้นมารู้เนะรู้นะตัวตื่นไปทําอีกนะเราทําไงให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นนะคะ คบกับคนที่เขาเข้มแข็งไหมนะเราครบคนชนิดไหนเราก็เป็นคนอย่างนั้นแล้วเราไปคบพวกอ่อนแอท้อแท้ด้วยกันนะั้นเราก็ป้ะแป้ไปเรื่อยๆนะนี่เห็นหเป็นเป็นเรื่องทําใจยากนะบอกว่าอย่างคนอ่อนแอนะต้องไปคบกับคนเข้มแข็งเราครบกับคนยังไงก็จะเป็นคนอย่างนั้นคนที่เข้มแข็งมาคบเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันจะต้องแชร์กันนึกอเกงั้นท่านเลยสอนหลักไว้อันหนึง่งถ้าไม่เจอคนที่เสมอกันหรือดีกว่านะ่ะไปคนเดียวดีกว่าส่วนเราถ้ายังอ่อนอยู่นะเราก็ดูใครเขาแข็งแรงหน่อยนะมันต้องอาศัยเขาเวลาภาวนาเนี่ยบางทีภาวนาคนเดียวแล้วมันว้าเวมันหมดกำลังใจถ้ามีเพื่อนภาวนาด้วยกันนะ ช่วงนี้เราศรัทธาตกเขายัางศรัทธาดีก็ดึงกันไม่ใช่เราดึงเขาเนะเาะอ้าวต่อไปใครจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่อบ้างขอที่จำเป็นจริงๆนะที่อยากที่โลภไม่เอาว่ามาขี้โมโหไหมคนเนี้ยมากค่ะเออนะหนูไปดูเลยเนี่ยไม่เรียนกับหลวงพ่อไม่ต้องถามเยอะหรอกหนูไปรู้ทันในเวลาใจมัน กระทบอารมณ์แต่ละอย่างนะกระทบปุ๊บมันไม่ชอบกระทบปุ๊บมันไม่ชอบเนี่ยเรารู้ทันมันไปเรื่อยๆนะต่อไปเนี่ยความโกรธเนี่ยมันจะครอบงำจิตเราไม่ได้ความโกรธครอบงาจิตเราไม่ได้นะจิตจะสว่างผ่องใสมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะแลสะสติปัญญาในการดํารงชีวิตอะไรก็จะดีขึ้นหรอกจบหรือยังจบแล้วคะ่ะอื กล่าวในมรกการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านเ้าที่แล้วก็เกือบปีพ่อเห <He en S 2> ็นไหมว่าใจฟุ้งซ่านแล้วทําไงดีก็ดูไปค่ะโอ้แล้วจะถามอะไรคําตอบมันก็คือรู้อย่างที่มันเป็นแต่ถ้าศีลเราไม่ดีรู้อย่างที่มันเป็นไม่พอก็ต้องรักษาศีลเห็นไหมจิตเราฟุ้งซ่านรู้อย่างที่มันเป็นแล้วมันไม่ยอมเรียบร้อยก็ต้องช่วยมันทํากรรมฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็รู้วิเคราะห์ตัวเองมีปัญหาตรงไหนนะบางอย่างก็แก้ด้วยการกระทำเอาบางอย่างก็รู้เอาน ะ, ะแต่ละอย่างก็พลิกแปลงไปแล้วว่าไงก็แต่ถ้าในสมาธิก็ใช่ค่ะในในชีวิตประจำวันอาจจะฟุ้งซ่านเยอ ะ, อะแต่ถ้าตอนตอนนี้จะมีฉันทะมากขึ้นก็คือในสมาธิเนี่ยมันจะเห็นอะไรนะคะเหมือนว่าเป็น ก็หนักบ้างก็ตามไป เ, ออเบาบ้างตามไปนั่นน<ด>อย่างนั้นดีนะดีถ้าสมาธินิ่งไม่รู้เหนือรู้ใต้นี่สมาธิลอยถ้วยเลยให้ปริญญาเอลทไม่ได้เลยนะ <c oughs> ถ้าดูไปจิตเดี๋ยวหนักจิตเดี๋ยวเบาจิตเดี๋วดีจิตเดี๋ยวร้ายนะดูอย่างนั้นแหละค่ะแฟนบ้าข้าวที่แล้วหลวงพ่อให้ว่าใช่เกิดไหมเวลาจะคุยกับหลวงพ่อมันมีความอยากคุยก่อนมีความ อ, าอยากพูดเกิดเห็นไหมค่ะเนี่ยหนูกคอยรู้ทันนะ พฤติกรรมทั้งหลายของเราเนี่ยมันจะมีความอยากซ่อนอยู่ข้างหลังค<ะ>่ะถ้ารู้ทันต่อไปนะพฤติกรรมของเราเนี่ยจะไม่ได้ถูกบงการด้วยความอยากแต่ว่ามันจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจว่าเรื่องนี้จะทําเรื่องนี้ไม่ทำํำแล้วไงอีกให้คนอื่นบ้างเออ<ะ>นะเนะนี่ยหลวงพ่อบอกแล้ว<ะ>ไม่ต้องถามเยอะหรอกอส่งกลับบนในรอบปีครับอืม เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วอยาสงสัยอะไรจะถามว่ามีอะไรติดขัดหรือไม่ครับติดและไม่ติดอยู่ที่ตัวเองจิตมีพลังหรือไม่มีพลังดุออกไหมก็มีบางช่วงอยู่นะช่วงครับขณะนี้จิตถึงฐานไหมเนี่ยวันนี้หลวงพ่อจะใช้วิธีใครยกมือหลวงพ่อจะถามแหลกเลยถึงจิตถึงฐานหรือเปล่าถึงถึงไม่มากครับตอนนี้ถึงไหมไม่ถึงนะครับนี่ถึงนะ ไม่ถึงรู้ว่าไม่ถึงให้ถามได้หวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับนี่ไงให้รู้ทันถ้าจิตไม่ถึงฐานรู้นะถ้าถึงก็ไม่ได้ถึงด้วยการบังคับไว้ถ้าบังคับไว้จะแน่นๆไม่ดีไปทำอีกนะถ้าสมาธิพอจิตถึงฐานจริงก็จะไปเร็วหรอกคอยดูลงไปนะสิ่งที่เห็นเนี่ยจะแสดงอนัตตานะมันจะไปเด่นในมุมของอนัตตาว่าบังคับไม่ได้ สมาธิแล้วมันไม่ค่อยลงนะผมว่าไม่ลงหรอกพวกปัญญาแรงครับลงก็ลงแวบๆนะอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ขึ้นมาดูโน่นดูนี่แล้วครับคือเราไม่ใช่พวกที่จะนั่งสมาธิแล้วแช่ไม่ยอมหรอกจิตไม่ยอมครับมีนิดหนึ่งครับเพื่อนผมนั่งเวลานั่งสมาธินานจะมีเวทนาเยอะธรรมดาใครนั่งก็มีเวทนาครับงนี้ผมยังยสงสัยว่าจะนั่งดูนับตาไปหรือว่าจะลองดูสิลอสู้ไปเลยลองดูแต่ไม่ได้สู้เพื่อเอาชนะนะครับ หัดดูไปเรื่องร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งแยกมันไปเรื่อยๆเลยนะว่ามาส ก, กาลหลวงพ่อคะ่ะหลวขอถามสามข้อสั้นๆค่ะโอ้ยทั้งสามข้ อ, อยังจะสั้นอีกอสั้นค่ะคือเห็นจิตเกิดดับแล้วก็มีทวนท่าเห็นเยื่อมนอั ต, ตามันบางลงค่ะข้อสองจิตรวมเห็นจิตม่มีกัน ถามสามข้อนะถามได้แต่จําไม่ได้ว่าอะไรนะเห็นมาหน้าตาเหรอเห็นจิตเกิดดับแล้วมันทวนธาตุแล้วก็ไปเห็นเยื่อมาหน้าตาบางลงมเยื่อมันเหมือนทวนธาตุดินน้ำลมไฟอ่ะค่ะอ๋อมันไปคิดหรือครับหนูเดินจงกรมแล้วมันก็มันก็เกิดแบบอย่างเงี้ยคือให้เราเหมือนว่าไปมือนเหมือนมันมีนิมิตแล้วก็ให้เราแต่นิมิตไม่เอานะแต่หนูก็ดูเกิดดับนะคะเออต้องดูเกิดดับนิมิตไม่เอานะ แล้วก็ข้อสองคือหนูเห็นจิตรวมแล้วไม่มีการปรุงแต่งแล้วก็เห็นจิตกําลังหายแต่มีความกลัวคลอบค่ะเออดีที่เห็นนะถูกต้องแล้วแล้วก็ข้อสามอันนี้ไม่ได้ตั้งใจไปเพ่งพระอาทิตย์ะค่ะออหนูเห็นความกลัวมันคลอบแล้วหนูก็พุทโธไปแล้วก็เดินจงกรมไปแล้วก็มันก็ดูด้วยใจเป็นกลางก็เห็นความกลัวมันหายไปออแล้วหนูก็ไม่เห็นตัวมานาตามันยังห้อยอยู่อะค่ะ หนูต้องทําไงต่อคะรู้อย่างที่มันเป็นของหนูนะมันฟุ้งซ่านเก่งนะค่ะเพราะงั้นพุทโธพุทโธไปบ้างอะไรบ้างค่ะหนูพุทโธตลอดนั่นแหละดีนะแล้วหลวงพ่อขั้นสมาธิที่ตอนนี้ขั้นที่สีแล้วนะไว้คือที่หนูเห็นแสงแล้วแล้วหนูเดินตรงนี้แต่หนูก็ดูเกิดดับไปอย่างเงี้ยคือสมาธิถูกป่ะคะไม่ถูก เห็นแสงเห็นสีเห็นอะไรไม่สําคัญนะเห็นผีเห็นเทวดาไม่สําคัญนะถ้าเห็นแล้วใจเราเป็นยังไงให้รู้ทันรู้ทันเช่นเห็นแล้วพอใจรู้ว่าพอใจเห็นแล้วกลัวรู้ว่ากลัวเห็นแล้วก็กลับมาที่ใจเอาให้คนอื่นบ้างสี่ข้อแล้วครับไม่ไม่ได้ส่งกันบ้านหลงพ่อสองปีแล้วครับเออก็ภาวนาทีนี้ไม่ทราบว่ายังภาวนาอยู่ในล่องในลอยอยู่หรือเปล่าครับคือก็มีสติ มากขึ้นก็มีสติก็ดีแหละนะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราไหมนั่นแหละดีแล้วล่ะทีนี้อันนึงเรื่องจิตตั้งมั่นนะครับหลวงพ่อตอนนี้ก็ก็ทําในรูปแบบเยอะขึ้นผมว่าบางทีก็ก็รู้สึกว่าจิตก็ถึงฐานก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นจิตเคลื่อนไหวดีแต่บางทีก็ก็บันก็บางลงมันถึงบางวันมันก็เสื่อมนะเป็นธรรมชาติมันไม่ดีทุกวันหรอกนี่อีกคําถามนึงครับคือบางทีตอน ช่วงก่อนเข้าโรงพยาบาลมีแบบหมอต้องเย็บต้องอะไรมันเจ็บๆเนี่ยผมก็พยายามแยกเหมือนกับอ่าเห็นความเจ็บเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเป็นผูร้รู้คือเวทนาถ้ามันไม่แรงมากมันพอจะแยกกัน ไ, ได้แต่ถ้าแรงมากๆมันไม่ไหวเออไม่ไหวไม่รวมกันแล้วอย่างนี้ถ้าเกิตอนจะตายเกิด <ไป S 1> เกิดไปทุกคติแล <laughs> ม, <laughs> มันจะมันจะทำยังไงได้ครับทดสอบมาหลายทีแล้วโอ้ฝึกไม่มากไปนะ อย่างนี้เวลาที่มันรู้ว่าไม่ตายอ่ะใจมันยังไม่เข้มแข็งแต่ถ้ามันคิดว่ารอบนี้ตายแน่เนะ่ยใจจะแข็งแกร่งขึ้นผิดมนุษย์มนาเลย <c oughs> อย่าไปกลัวทําไปเถอะ <c oughs> มันจะอัตโนมัติเลย <c oughs> อย่างเวลาบางคนนะขับรถรถกว่วมรถหงายนี่นะจิตเด่นทวงขึ้นมาเลยนะ <c oughs> ไม่มีตกใจซักนิดเลยเพราะรู้ว่ารอบนี้ตายแน่น <c oughs> แล้วไม่ตายหรอก ตอนที่มันรู้ว่าไม่ตายนะมันสยดสยองกราบนมันสการค่ะหลวงพ่อก็การาบขอโศโสีกรรมด้วยนะคะเพราะว่าบางนะช่วงที่ศรัทธามันตกมันจะฟุ่งซ่านมากจาก้าค่ะค่ะก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อจากการ Google เอาหาความว่าความสุขก็ได้เจอหลวงพ่อนะคะอตอนที่ศึกษาอยู่ก็ทำมาห้าปีแล้วอะค่ะ ก็ทําบ้างหลงไปทางโลกบ้างเจ้าค่ะทุกวันนี้ใช้พุทโธกับลมหายใจเป็นวิหารธรรมไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่เจ้าค่ะใช้ได้ก็ดีเจ้าค่ะพุทโธมันก็กลางๆนะลมหายใจก็เรื่องกลางๆเจ้าค่ะใครๆก็ใช้ได้เจ้าค่ะแล้วที่ทําอยู่จะต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะขี้โมโหไหมขี้โมโหมากเจ้าค่ะนะมากเจ้าค่ะเออถ้าขี้โมโหมากๆก็ จเจริญเมตตาเป็นบ้างไหมดีกว่าพูทโทอีกบางทีหนูใช้มรณานุสติอะเจ้าค่ะเออ น, นเ อ, อนั่นทําให้ขมใจนะจาาถ้าจเจริญเมตตาได้จจะมีความสุขกว่านี้นะเจ้าค่ะวิธีเจริญเมตตาเนี่ยเบื้องต้นหนูใช้คิดเอาเลย น, นั่งบริกรรมไปเรื่อยาาอยู่ๆก็ท่องๆไปเรื่อยในใจเราอะนะจัก <สา S 1> ทั้งหลายย่อเป็นสุขเป็นสุขเทิดจะมีเวรซึ่งกันและกันเลยอะไรเงี้ยนึกไปเรื่อยๆ เขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นได้สเสวยส่วนบุญที่เราทําแล้วอะไรอย่างนี้นึกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเจ้แต่ใจมันมีเครื่องอยู่ที่เป็นเมตตาอย่างนีน้ต่อไปมันจะเมตตาจริงๆมันจะนุ่มมันจะเย็นขึ้นแล้วสมาธิของเราจะดีขึ้นเจค่ะมันจะเห็นในร่างกายไม่ใช่เร า, าดูออกไหมกายไม่ใช่เราแล้ะมันไม่ยอมรับเออเจ้าค่ะมันไม่ยอมหรอกถ้ามันยอมง่ายใครๆก็เป็นพระอนาคามิหมดแล้วเจ้าค่ะไปทําอย่างนี้นะ นึกไปสัตว์ทั้งหลายให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเบนซึ่งกันและกันเลยนึกเรื่อยๆขอให้สัตว์ทั้งหลายได้รับส่วนบุญของเราด้วยนึกไปเจ้าค่ะกับนมัสการค่ะหลวงพ่อคือเคยมาส่งกันบ้านแล้วตอนนั้นติดสมาถาิกับเพ่งไม่ทราบว่าตอนนี้ดีขึ้นหร<ด>ือยังดีขึ้นแล้วล่ะนะนะนึก อ, ออกไหมถ้าเราเพ่งนิ่งๆจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงให้ดูแต่พอเราคลายออกใช่ไหมมันจะมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้เราดู เราต้องการให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับงั้นถ้าเราเพ่งแล้วนิ่งอยู่นะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่มีวันที่จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับหรอกถ้าโสดาบันนะเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับงั้นเราอย่าไปเพ่งให้แรงนะามาสการพระอาจารย์ค่ะคือเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วได้มีโอกาสมาสงกันบ้านพระอาจารย์พระอาจารย์บอกให้ บอกว่าขาดสมาธิในการพักผ่อก็ไปฝึกมาพอสมควรคิดว่าน่าจะดีขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจอะคะ่ะเป็นคนช่างคิดไหมอืมเป็คนช่างคิดก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตนะค่ะต้องดูกายด้วยนะเรารักสวยรักงามดูไปเรื่อยๆดูทั้งกายดูทั้งจิตแหละ กลับนมรสการหลวงพ่อค่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มานะคะตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้ น, นะคะ่ะมาจากไหนน่ะนี่เปทีมาจากกรุงเทพค่ะ อ, อ๋อไม่ใช่มาสังกัดที่ไหนพวกคอร์สหรือเปล่าก็สังกัด อ, อ๋อของมาจากกับบริษัทเชฟรอนนะคะ <c oughs> แต่มาอยู่เชฟรอนอองงก็พอดีว่า ปฏิบัติในรูปแบบแบบสมถะค่ะคือว่าจะท่องพุทโธไปเรื่อยๆแต่ว่าจะมีฐานจิตอยู่ที่หน้าผากค่ะคือจะเป็นที่สะสมพลังจิตแต่ว่าก็ไม่ได้ไปติดอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็จะสะสมจะบวกกับวิธีของหลวงพ่อก็คือว่าเวลาที่จิตส่งออกนอกเนี่ยก็จะรู้ว่าตอนนี้กําลังเผลอไปคิดแล้วก็กลับมาท่องพุทโธแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าจิตเหมือนรู้สึกตัวอยู่ที่หน้าผากอย่างนี้ค่ะสามารถจะทำวิธีนี้ได้ไหมค่ะ ทำลําบากนิดนึงนะหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลงปู่ครับจิตตั้งอยู่ที่ไหนหลวงปู่บอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งหรอกนี่เราจะเอาไปตั้งไว้ที่ไหนก็ได้แต่พอเราจงใจตั้งอยู่ที่เดียวนะถ้าเรามันติดอยู่งั้นอ่ะมันจะไม่เป็นธรรมชาติทีเดียวมันจะไม่ถึงฐานที่แท้จริงของมันเพราะฐานที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่หน้าผากไม่ได้อยู่ที่ท้องไม่ได้อยู่ที่หน้าอกไม่ได้อยู่ที่ไหนฐานของจิตก็อยู่ที่จิตนั่นแหละ ถ้าเราจงใจเอาไปตั้งไว้ที่ใดที่หนึ่งมันจะเกินจริงไปนิดหนึ่งจิตมันจะไม่ถึงจิตจริงๆอย่างนี้หนูควรจะเริ่มต้นยังไงดีคะคือเหลือแค่ท่องพุทโธไปเรื่อยๆโดยที่ยังไม่ต้องอย่าอย่าไปเพ่งไวนะ้ถ้าเพ่งไว้จะติดอยู่งั้นนะแล้วหนูพุทโธไปเรื่อยๆแล้วหนูก็ค่อยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของใจพุทโธไปใจมีความสุขรู้ใจมีความทุกข์รู้ใจสงบรู้ใจฟุ้งซ่านรู้นะ จะต่อไปความโลภความโกรธความหลงอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เอาจะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปใจเราเป็นคนดูอยู่สบายๆไม่ได้ไปตั้งไว้ที่ใดหรอกถ้าตั้งอยู่จะดูลาบากนะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อตอนไปถามหลวงปู่ดูลนะนึกว่าจิตมันอยู่ตรงนี้นะเห็นมันมันไหวๆอยู่กลางหน้าอกเนี่ยเลยถามหลวงปู่ครับจิตมันอยู่ที่ไหนครับหลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้งฟังแล้วงงไปเลย อ้าวไม่ไม่ใช่ตรงนี้เนีย่ยตรงนี้ไม่ใช่จิตแล้วละ่นะตรงนั้นกลายเป็นตัวสังขารไปใจแอบไปคิดหรื อ, อยัง ก, ก็คิดค่ะเออเนี่ยใจหนีไปคิดให้รู้เห็นไหมตรงที่เรารู้รู้สบายๆไม่ใช่รู้ปุ๊บมันดึงมาไว้ตรงนี้นะจะแข็งไปนมาสการค่ะอืมวันนี้มาส่งกันบ้านเห็หลวงพ่อม่ไงเอองด เมื่อปีใหม่หลวงพอ่อให้กันบ้านไปฮะว่าให้ไปสวดมนต์อ้อะเราไปสวดแล้วฮะอิติปิโสดีนะพอพอ ด, ดีไปเจอญาติเขากําลังนิทาแต่ไม่โกรธนะโกรธไหมไม่โกรธนะเย็นๆไม่โกดธสิเรากําลังอิติปิโสไม่โกรธได้อิติปิโสขึ้นมาแล้วไม่โกรธะนะะสวดเรื่อยๆใจของเรามีความสุขนะค่ะช่วงช่วงที่สวดนะมันมี มีความคิดมันแทรกขึ้นมาอืมดีที่รู้แทรกขึ้นมาเราเห็นเห็นมาเอาขนาสวดอีปิโสแล้วยังแทรกขึ้นมาได้อีกมันงงเห็นความงเงเหินขึ้นมาค่ะเออดนนีนั่นแหละนะั่นแหละนะใช้การสวดมวนต์เป็นฐานไปนะแล้วจิตมันเป็นยังไงเราก็รู้แต่ไปเราจะรู้ได้ชำนี้ชํานาญมากขึ้นมากขึ้นนะะของโยมดีขึ้นเยอะเลยล่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วเหมือนยังกําลังคิดเรื่องอื่นอยู่อิทิปิโสก็แทรกขึ้นมาได้เออนะก็ได้นะะคแสดงว่าใช้ได้แล้วคะ สมมติว่าฉุกเฉินจะตายนะแทนที่จะกริดกลาส น, ะนีทีผิโศเลยอ้แล้วเสร็จแล้วมีที่พึ่งที่อาศัยแล้วเราข อ, อกันบ้านเพิ่มเะไปส่วนมนันแหละนะแล้วก็รู้ทันจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆต่อไปเราปัญญาเกิดเราจะเห็นเลยจิตใจมันทำงานของมันได้เองสังเกตไหมมันสวดก็ได้เองมันจะไปคิดเรื่องอื่นก็ทาได้เอง ตรงที่เราเห็นความจริงว่าจิตใจมันทำงานได้เองนี่แหละเป็นการเจริญปัญญาแล้วนะหลวงพ่อพุทธท่านเคยเล่านะตะลกตลกท่านเคยเล่าบอกว่ามีพระองค์หนึ่งเป็นมหาป ร, รีญญเนีไปได้ยินว่ามีอาจารย์กรรมฐานองค์หนึ่งเป็นอาจารย์เก่งท่านก็เข้าไปเรียนขาขอเรียนอาจารย์ก็สอนอ๋อคุณไปท่องเนาะอิติปิโสภะคบู มหาเนี่ยฮะทำไมพักขวือต้องพักวาต่างหากเนาะอาจารย์บอกให้พักขวือนะมหานี้ไม่เอาเลยพักวาทุกวันเลยนะแล้วก็นินทาอาจารย์ไปเรื่อยในใจว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ไปเรียนเลยไม่รู้<ม><ม>อิติปิโสพักขวือนะแล้วในที่สุดเนะียก็เริ่มไปบอกพระด้วยกันอาจารย์เนี่ยสอนผิดมีอย่างเลยอิติปิโสพักขวือนะพระพวกนี้ก็โออาจารย์ผิดนะ รู้สึกยอมรับไม่ได้แล้วอาจารย์สอนผิดก็ไปหาอาจารย์เลยบอกอาจารย์สอนผิดอาจารย์อย่าอยู่ที่วัดนี้เลยนะไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่เหอะอาจารย์ก็ไม่ว่านะก็ขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วก็ต่อมาพวกลูกศิษย์เนี่ยเกิดนึกถึงอาจารย์ขึ้นมาไล่อาจารย์ไปแล้วนะอยู่กันเองก็อิทิโศภควากันใหญ่เลยวันึ่คิดถึงอาจารย์ก็ขึ้นเขาไปขึ้นเขาไปแล้วถามอาจารย์เป็นไงอาจารย์สวดอิทีโศภควาหรือยัง คือคล้ายๆถ้าพักวาจะนิรโทษแล้วเนี่ยเป้าเราสวดอีติปิโสพักขวือลูกศิษย์ก็ไม่ไหวเลยแต่เป็นจะค้างบนเขาสักคื น, นพอเช้าขึ้นมาเราถามอาจารย์อาจารย์ครับจะไปบินทบัต ท, ที่ไห น, น, ะนะบอกว่าเนี่ยเราไปบินธบัต ท, ที่ต้นไม้ อา้าวทาไงล่ะไปบินตาบาด ท, ที่ต้นไม้ก็ไปเดินไปใต้ต้นไม้นะเปิดฝาบาดออกอิติปิโสโพกักขบือนะเดี๋ยวเทวดาก็มาใส่บาดพวกลูกศิษย์ที่ไหนอาจารย์ทําให้ ด, ดูอาจารย์ก็พกักขบือนะได้ข้ามาฉันนะฉันอยู่วงเดียรนะ์แลไม่ให้ลูกศิษย์หรอกลูก <c> ศ <oughs> ิษย์เอาบ้างนะอิติปิโสโพักวา่าเทวดาไม่ใส่าบาอสุดท้ายอาจารย์เลยสอน บอกคำบริกรรมเนี่ยมันไม่ได้สําคัญที่ตัวคําบริกรรมมันสําคัญที่สมาธิต่างหากละ่ะถ้าใจเราวอกแวกคอยคิดอยู่ว่ามันพักขวาหรือพักขบือนะสมาธิไม่เกิดหรอกสมาธิไม่มีเทวดาก็หมั่นไส้เขาไม่กินข้าวเราไม่คู่ควรลูกศิษย์ก็เลยเอาไปว่าพักขบือพักขบือเทวดาก็ไม่ใส่อีกแล้วเพราะทําด้วยโลภะสุดท้ายลูกศิษย์ต้องลงมานะ พาจานกลับมาอยู่บัดแล้วก็ลูกสิทธิ์คราวนี้ก็พระขวารพระขวาได้พระขวาได้แล้วก็ภาวนาได้ราะรู้แล้วนะไม่ได้อยู่ที่คำหรอกอยู่ที่ใจสนุกไหมตาแป๋วเชื่อพเล่านิทาน <c oughs> <c oughs> เหมือนเด็กเนอะกับนมัสการหลวงพ่อค่ะ <c oughs> คือหนูอยากรู้ว่าหนูมาทําได้ถูกต้องหรือเปล่าค่ะมาที่นี่ถูกก็ถูกแล้ว ส <unexpectedly> <S an> ังเกตใจนะกิเลสของเราเยอะไหมรู้ทันกิเลสไหมเวลากิเลสเกิด่คยรู้ทันกิเลสบ่อยๆนะ <S 1> <S 1> คนทั่วๆไปเนี่ยถ้าจะรู้กิเลสก็รู้ได้แต่ชอบละเลยอย่างเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเรานะใจเราโกรธเราไม่ดูว่าใจโกรธเราเพียไปดูให้คนที่ปาดเรา <im k> เราไปเดินศูนย์การค้านะเห็นโทรศัพท์รุ่นใหม่สวยอยากได้ เราไม่รู้ว่าใจอยากได้นะเราหมดแต่ดูโทรศัพท์เนี่ยแทนที่เราจะปล่อยให้ใจเราหลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสภายนอกนะหรือในเรื่องราวที่คิดเนะี่ยเราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองบ่อยๆใจเราโลภ ก, ก็รู้ทันใจเราโกรธก็รู้ทันนะใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ทันใจเราหดหู่ก็รู้ทันคอยรู้ที่ใจบ่อยๆนะแล้วเดี๋ยวก็พอนาเก่งเองแหละที่ทําอยู่ก็พอใช้ได้แล้วละ่ะ กลับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะอืมไม่ได้มาตั้งสาปีที่แล้วอะค่ะอืไม่เป็นไรตอนนี้คื อ, อเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากอือแล้วอยากจะมาขอคําแนะนำจากหลวงพ่อเครียดเก่งไหมเป็นคนเครียดเก่งไหมเครียดเหรอคะออหรือว่าคิดมากอย่างเดียวไม่เครียดคิดมากแต่ไม่ค่อยเครียดอย่งนั้นก็บุญหน่อยบางคนคิดมากแล้วเครียดไม่เครียดก็ดีดแล้ว ใจมันคิดสังเกตดูเวลามันคิดไปเรื่องนี้มีความสุขคิดไปเรื่องนี้มีความทุกข์อันนี้เคยเห็นไหมค่ะนะหนูไม่ต้องทําอะไรมากหรอกปล่อยให้ใจมันคิดนะแต่ว่าคิดแล้วมีความสุขก็รู้คิดแล้วมีความทุกข์ก็รู้คิดแล้วเฉยๆก็รู้ฝ<อ>ึกเท่านี้แหละพอไหวไหมอย่างนี้พอไหวคะ่ะแล้วไหวแลไปทำเอาคุณค่ะแค่นี้ก็เหลือเฟือล้วนี่แหละแบบอิติปิโสภะคบูรนิดเดียวแค่เนี้ยนะ ถ้าทำเป็นก็รู้หลักนะง่ายนิดเดียวเลยนะใจเรามีความสุขก็รู้ใจเรามีความทุกข์ก็รู้ใจไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้นะแค่นี้แหละรู้ไปบ่อย กังวลรู้ไหมลาคาญ ร, รู้ไหมอะไรเงี้ยไม่เคยรู้ความรู้สึกของเราบ่อยๆนะอย่าที่บ้านมีเด็กไหมมีสองคนเออําคาญไหมบางทีอัอนเนี้ยเอามาทํากรรมฐานเลยนะมันสนนักอะ่ะอย่างนี้เอาไว้ทำกรรมฐานดีหมายถึงเราอยากให้เขากินข้าวเขามายอมกินเราก็ลาคาญเนี่ยเรารู้ทันว่าใจลาคาญนะบางวันเขาก็น่ารักเราก็รู้สึกว่ารักแล้วก็รู้ทันว่าใจกําลังรัก คอยรู้ทานความรู้สึกของเราบ่อยๆนะเราไม่หนีสิ่งแวดล้อมหรอกอย่าไปเกลียดสิ่งแวดล้อมนะนะปฏิบัติอยู่ตรงไหนก็ต้องทำให้ได้อยู่ที่ไหนมันก็มีโลภมีโกรธมีหลงขึ้นมามีสุขมีทุกข์ขึ้นมาแล้วก็คอยรู้เอานะตรงไหนก็เหมือนกันหมดเลยห้ฝึกเอานะฝึกที่บ้านนี้แหละดีที่สุดเลย ค, ค, คนสุดท้ายลว ทน้ัสการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านมา3ปีแล้วค่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ลองดูว่าดูอะไรแล้วเห็นจิตเห็นสติเกิดบ่อยสติเกิดบ่อยค่ะก็ตอนนี้ตอนแรกลองแฮปดูจิตแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยลองมาดูกายแล้วก็ลองแยกดูค่ะก็จะเห็นชัดตอนที่สวดมน์แล้วก็จะเห็นชัดบริเวณใบหน้ามากกว่าตามตัวเออนะแล้วก็คอยรู้สึกเอาหลวงปู่สิมเคยสอนนะ ว่าดูเนี่ยดูหน้าดูอะไรนะถ้าดูไปดูไปก็เห็นตาโบโ๋เลยะเห็นก็ดูเห็นฟันขยับขยับนะเราไม่ต้องเห็นขนาดนั้นก็ได้ถ้าเห็นก็ไม่เป็นไรเริ่มจะเห็นส่วนนี้ก่อนปกติต้องยังไงเพิ่มเติมอีกไหมคะดูไปเรื่อยนะจนเดียวทั้งเห็นในร่างกายมันเคลื่อนไหวของมันเองไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่เหมือนโพรงเหมือนถ้าอันนี้เคยเห็นหรือยัง <น>ถ้าเห็นเห็นแล้วก็ดูไปต้องมีวิหารธรรมยังไงอีกเพิ่มเติมก็ดูกลายปเป็นวิหารธรรมไงมเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน<ม>เห็นร่างกายพยักหน้าใจเป็นคนดูไม่มีใจเป็นคนดูนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้น ะ, ะเอาหมดแล้วล่ะเชิญกลับบ้าน